ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15สิงหาคม2552มีชื่อเรื่องว่าพระหาเรื่องเข้าพรรษามา ก็ได้เดือนหนึ่งกับ8วันเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทที่พวกเราได้เข้าพรรษามาตั้งแต่วันแรกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่ายอย่างไรในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสมเดือน ข้าพ เ, เจ้าจะรักษาอุโบสถทุกวันพระข้าพ เ, เจ้าจะทำบุญไม่ให้ขาดตักบาททุกวันเิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทบทวนอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าเราไม่พูดกันไม่ทบทวนกันไม่บอกกล่าวกันอาจจะขาดตกบกพร่องก็ได้อย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันทั้งสีสิบสององค์ที่จำพรรษาทุกวันพระ ข้าพเจ้าจะถือเนสชัชิจะไม่นอนทุกวันพระตลอดไตรมาสสามเดือนอันนี้มีไหมหรือพวกเราจะพยายามท่องปฏิโมกให้จบภายในสามเดือนนี้อันนี้ก็มีไหมเพราะนั้นฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันก็ขอให้พวกเราทบทวนอีกเหมือนกันว่าที่เราตั้งจิตอธิษฐานนั้นล้มเหลวหรือ ยังคงเส้นคงวาอยู่ไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะนั้นขอให้พวกเราใครควรทบทวนอย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ถ้าว่าพวกเราจริงจังและจริงใจในการกระทำหรือตัง้งจริงจังในความสัตย์ความจริงของตนเองเมื่อจริงครั้งนี้แล้วต่อไปก็จะจริงไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราล้มเหลวในครั้งนี้ ต่อไปกับพวกคงจะหวังได้เลยว่าล้มเหลวไปเรื่อยๆฮนะเพราะมันอยู่ในตัวของเราเองอันนี้ไม่มีใครบังคับเราเราบังคับเราถ้าเราบังคับเราไม่ได้แล้วใครอื่นใครจะมาบังคับเราได้เพราะใจของเราเนี่ยใครๆก็มองไม่เห็นใจของเรานะ่ยมันลึกซึ้งมากยิ่งกว่าน้ํามหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลจะว่าลึกขนาดไหน เขาก็ยังมีเครื่องวัดว่าน้ามหาสมุทรตรงนี้ลึกขนาดไหนเขายังมีที่วัดเขามีกรรมวิธีที่จะวัดน้ำทะเลลึกตื้นขนาดไหนได้แต่ใจของมนุษย์เนี่ยจะมีเครื่องมือดีขนาดไหนก็วัดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะใจของมนุษย์เนี่ยลึกกว่าน้ามหาสมุทรทะเลเพราะนั้นนอกจากตัวเองเท่านั้นละ่ะจะวัดใจตัวเองได้ ว่าข้าพเจ้าต้องการอะไรเอ่ยอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดความดีก็ดีความชั่วกว็ ด, กดีกรัมดีก็ดีกลัมชั่วกว็ดีเอ่ใจของเราไปในทางไหนไปในทางดีหรือไปทางชั่วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอีกเหมือนกันถ้าพวกเราคิดไปแนวทางชั่วคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดเอ่ยอยากจะดืมเราดื่มสุรา คัญชายาวฟินคิดจะากจะคบคนชั่วไปเที่ยวไปเตะคิดขี้เกียจทำการทํางานาคิดไม่เอาทานาคิดอยากจะนอนตื่นสายอย่างนี้อันนี้แปลว่าให้เราพวกเราคิดได้ล้วอันนี้คือใจของเราเป็นภารชนใจของเราเป็นผ่านเป็นภารชนเป็นคนผ่านาแต่ถ้าว่าใจของเราน้อมนึกไปในทางกุศล พยายามสั่งสมคุณงามความดีเก็บพร้อมรอมริบไปเรื่อยๆทีละวันละวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็มีแต่ขนขวายที่จะทำคุณงามความดีเราจะปฏิบัติพ่อแม่ของเราอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อลูกสามีภรรยาของเราอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างไรเราจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอย่างไรเราจะคิดอย่างไรในไ ป, ไปในทางที่ดี เราจะพูดอย่างไรไปในทางที่ดีเราจะทาอย่างไรไปในทางที่ดีแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอันนั้นให้บอกได้เลยว่าเป็นบัณฑิตเราจิตใจของเราายสูงจิตใจของเราไยสู ง, ต ง, สงแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามอย่างที่ผหลวงพ่อพูดข้างต้นอันนั้นแปลว่าไยไปในทางต่าเป็นพาระชนถ้าไฟสู ง, งก็แปลว่ายฟไปทางบัณฑิตนักปราช จะทําจนยกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการไปดูดูที่อื่นดูคนอื่นเขานั้นเป็นเรื่องนอกให้ดูเข้ามาหาใจตนเองนั่นละ่ะจะมีวิธีแก้ไขถ้าเราไปในทางต่ําเราก็โอ้ใจของเราเนี่ยทำไมคิดไปในช่วยเรื่องช่วช้าลามกเหลือเกินไปคิดไปทางราคะทั้งหวี่ทั้งวันคิดไปทางโทสะโกรธเขาทั้งวี่ทั้งวัน คิดไปทางโลกอยากจะได้อยู่ทั้งวีทั้งวันมันเป็นเรื่องโมหะมันเป็นเรื่องพาละชนทำไมเราจึงไม่คิดไปในทางเสียสละทางปล่อยวางทางคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่สจิตเข้าสู่ใจฮะอันนี้ไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทุกทุกท่านเพราะนั่นให้ตรวจ ด, ดูนะใจของเราเป็นพาละชนหรือเป็นบัณฑิต ถ้าคนอื่นบอกว่าคุณ น, นี่แหละเป็นภาลชนเดี๋ยวจะไปโกรธให้เขาอีก อ, อถ้าบอกว่าคุณ น, น่นแหละเป็นบัณฑิตกระจุหัวเราะทั้งวันทั้งที่ตัวเองคิดไปทางช่วยช้าลามกไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเพราะใจของเราในะอย่างที่ว่านั้นะมันลึกกว่านะ้ํามหาสมุทรทะเลไม่มีใครที่จะยังรู้ได้นอกจากตัวของเราที่จะยังรู้ว่าข้าชอบไปในทางไหนเชอะข้าเป็นบัณฑิตหรือข้าเป็นภาลชนน เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านเวลาจะไปเสวยความทุกข์หรือความสุขก็ไม่มีใครที่จะไปเสวยนอกจากตัวของเราเองอีกเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราทำกรรมดีแล้วกรรมดีนั่นแหละเรานั่นแหละจะเป็นผู้ทำเพราะนั้นให้เชื่อในกรรมในผลของกรรมกรรมคือการกระทาถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วใครจะหาว่ายังไงเราก็ไม่สะทกสะท้านว่าเขาเราคิดดีแล้ว เราทำดีแล้วเราพูดดีแล้วไม่มีอะไรขาดตกปกพ่องแต่คนอื่นเขาหาเรื่องใส่บางทีเราก็อาจจะได้ติดคุกติดตารางเพราะว่าคนหาเรื่องมันมีอย่างนี้มันมีเพราะเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาเอาเท็จมาผูกมามัดอำนาจปาฏนะิาเอาเงินเข้าไปตีหรือว่าไปให้คนอื่นทำ กับเราเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่เราสู้เขาไม่ได้อย่างนี้มันมีในโลกนี้มันมีแต่อย่างนั้นขึ้นมาเราก็ถือว่าเออกล้ำเก่านี่กล้ำเก่ า, เ, ก เ, กาเราคงเคยทําให้แก่เขามาในอดีตชาติอย่างนี้เนีพราะเราถือยังไงเราสู้เขาไม่ได้ทุกประตูเลยเนี่ยเพราะเหตุไดเพราะว่าเราก็พยายามริ้นโลนที่จะสู้แต่ว่าเขาพยานเทศเขาแข่งขันมากกว่า จะทํำยังไงได้ถือว่าเอออันนี้กลัม่มเนี่ยกลั่มเก่ากลั่มคือการกระทําของเราในอดีตชาติเราคงจะทํากลั่มไม่ดีไว้ในอดีตชาติมันมาให้ผลสําหรับเราแล้วถ้าเมื่อเราทําสุดความสามารถแล้วเราก็ต้องกลับตายอมรับยอมรับแต่ในใจไม่ยอมรับแต่ทางด้านวัตถุภายนอกนี้เรายอมรับเพราะเหตุเพรา ะ, ะราเราสู้เขาไม่ได้อย่างนี้มันก็มี แต่ถึงยังไงก็ตามกลรรมคือการกระทําตัวนี้ให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าถึงยังไงข้าพเจ้าไม่ได้ทําข้าพเจ้าไม่ได้พูดข้าพเจ้าถึงกับคิดข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดในจุดนั้นอีกต่างหากอันนี้คือความเชื่อมั่นในตัวเองพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็ลุมขันกันพระในครั้งพุทธเจ้าพระทธพมันระบุตรเป็นพระรหัน์แต่อายุเจ็ขวบงั้นแต่เป็นน้องชายของพระสารีบุตร ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เมื่ออายุเจ็ดขวบแต่เมื่อท่านสำเร็จพระอาหารหันต์แล้วท่านก็เออเราหมดกิจแล้วเราไม่มีภาระที่จะต้องภาวนาไม่จำเป็นจะต้องเร่งภาวนาออไม่ต้องการทำอะไรอีกแล้วเพราะสำเร็จกิจแล้วสำเร็จเรื่องราวต่างๆแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องมาจัดมาทำทางกายทางวาจาท้งใจอีกแล้วเพราะจบบริบูรณ์ ในการประพุทธพ ม, มจันทร์แล้วเสพกิจพ ม, มจันทร์แล้วเราจะเป็นภาระในการจัดเซนเราจะมีเป็นภาระในการจัดอาหารถวายพระตอนเช้ามาญาติโยมถวายอาหารมาท่านก็จัด อ, อัอนนี้องค์นั้นอันนั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้ น, น, นท่านเป็นภาระแต่มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งออพอได้แจกอาหารทีไร ก็ได้ของไม่ดีเนี่ยถ้าแจกไปแจกพระไปรับนิมนต์ก็ไปในฐานสถานที่ไม่ดีเอขาเป็นกลั่มขององค์นั้นองค์นั้นคือไม่มีอั น, นิสงทานอั น, นิสงสีนอั น, นิสงทานมาก่อนพอแจกไปมันก็ได้ของที่ไม่ดีเอหลายครั้งต่อหลายหนที่มันเจออย่างนั้นขึ้นมาองค์นั้นก็สะสมะความโกรธแค้นในจิตในใจทีนี่ยโมโหโทโสอยู่ในใจว่ากันเถอะอ่ะ เอ า, ถ, าถ้ามีโอกาสข้าจะต้องหาเรื่องให้เด่งพระองค์นี่ที่เป็นกรรมการจัดอาหารหแจกแก่พระทั้งหลายทั้งปวงเน่ยจากนั้นท่านก็วันหนึ่งท่านก็หาเรื่องเสเียท่านไปสมคบกับนางภิกษุณีออภิกษุณีภิกษุณีกับให้ข้าว่าเลวพอๆกันนะว่างั้นเถอะ เ, เลวพอๆกันถ้าว่าพระต้องการอะไรก็เอา รับลูกทันทีว่างั้นลักษณะอย่างนั้น่ะท่นนี้ก็ไปสมคบ พ, พูดกันว่าพิกุนีเราในกวดแค้นพระ อ, อ, องค์นี่ละเกิน เ, เราจะหาเรื่องใส่นะให้เธอรับลูกเลยนะพิกุนีก็ยอมรับทุกอย่างจากนั้นพระภูมิมัชากาภิกษุเนี่ยภูมิมัชากาภิกษุกะโจดขึ้นใน่ามกลางสงว่างพระทัพพมันระบุตเนี่ยทำตนไม่ดีไม่ใช่พระ เพราะว่าการกระทาของพระพระทัพพมรบุตรเนี่ยไปทำมิดีมิร้ายกับเมตยาภิกษุณีที่ตีนเขาคิจจูดในเวลาเท่านั้นเออเท่านั้นลหละพวกที่ได้ยินก็นงงแตกเลยทีนเอีทั้งที่ถือว่าเป็นพระที่มีศีราจารวัตเป็นที่ยอมรับแต่พอโจ์ขึ้นมาเท่านั้นแหละคนทั้งหลายพระปุตชนทั้งหลายก็สนเทสงสัย อย่างมากเลยสิเอ๊ะเป็นไปได้เรือไงทางนี้ก็พอโจทย์ขึ้นมาเมื่อโจทย์ขึ้นมาแล้วก็สงฆ์ทั้งหลายก็ลุ่มล้อมเข้ามาเลยสิหาข้อมูลพอมาโจทย์อบัตหนักโจทย์อบัตปาราชิกของสมัยนั้นเหมือนันแต่พระธรรมทัพธรมารมบรรบุตรก็เป็นจำเลยพะภูมิมช ก, กะกับเมตยาภิกษุณีเนี่ยเป็นโจทย์ดจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เอาพระวิณัยที่บอก พระอุบบาลีเนี่ยอุบาลีที่ว่าไปบวชกับพร้อมกับพระอ น, นุนพร้อมกับเทวทัตหกองที่เป็นเชื้อกระสัจากกรุงกบินลพัฒและกรุงวิเทวทหะแล้วก็อุบบาลีเนี่ยเป็นในช่างการบกนะคือช่างตัดผมแต่ให้พระอุบบาลีเป็นผู้บวชก่อนนี่พระพุทธองค์ยกย่องว่าอุบบาลีเนี่ยเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยแคล้ายๆว่าเป็นพิพากษาชั้นเยี่ยมว่างั้นเถอะตรงไปตรงมายิ่งกบเป๋าบุญจิ้นอีกว่างั้นอะแหท่านก็สืบสอบลยเอสืบสอบมาแหมมมาสกะเธอโจทย์ขึ้นมานั้นเธอเห็นอย่างไรแหพระพิจุนีเมตยาเธอเป็นยังไงเขาก็ลับลูกคล้องจองกันหมดเลยเธอะแหอพวกเขาหาเรื่องเนี่ย จากนั้นภูมิมศักะิ์ท่านก็ถามไออุบาลีท่านก็ถามว่าท่านอพระเทระทัพท พ, ทพระทัพพมรบุตรเธอเป็นเป็นอย่างที่เขาว่าไหมอ่าทีนี้ทัพพระท่านทัพพมรบุตรเธอเป็นอย่างที่เขาว่าไหมที่เขาโจทดไหมนี่เขาโจทยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนี้ท่านก็ อ้างคุณธรรมท่านขึ้นมาเลยนะพระทับพมรบุตรเนี่ยอ้างคุณธรรมขึ้นมานว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชเมื่ออายุเจ็ดขวบข้าพเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลแม้แต่ฝันข้าพเจ้ายังไม่เคยฝันเพราะนั้นอย่าพูดเลยว่าข้าพเจ้าจะไปทำสิ่งชั่วช้าลามกอย่างนั้น อันนี้ท่านเชื่อในกรรมคือการกระทำของท่านเลยว่างั้นแต่ขนาดคิดกับท่านก็นยังไม่คิดเนี่ยท่านจะไปทำได้อย่างไรเนี่ยแต่นี่ภาคก็งงแตกเหมือนกันเลอ้าวจะเอาใครเป็นผู้ตัดสินทีนีเ้เพราะว่ามันเป็นท่านพูดถึงคุณธรรมของท่านท่านบอกว่าข้าพเจ้ า, าได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ แม้แต่ฝันข้าพเจ้ายังไม่เคยฝันในสิ่งที่ที่เขาโจทย์มานั้นเพราะฉนั้นข้าพเจ้าจะทําได้อย่างไรอันนี้เขาก็โอบสอบถามอีกทีท่านเห็นพิกษุน พ, พระทัพพมรบุตรนั้นเวลาเท่าไหร่ที น, นี้ก็มันมันแย้งกันทีนนนเห็นเวลาเท่านั้นฝ่ายพระสงฆ์บ อ, อไม่ใช่ พ, พระทัพพมรบุตรท่านยั ง, งว้วนในการแจกอาหารอยู่ที่กรุง ที่วัดป่าเวลุวันอยู่ท่านจะไปทาจะเป็นทัพพมัพระทัพพมรบุตรสององค์ได้อย่างไรทีนี้เขาก็แย้งกันทีนี้ก็เลยผลที่สุดก็เลยแพ้บนาง น, นะแพ้คดีพระพุทธเจ้ารับทราบก็เลยสั่งตัดสินให้พิกษุณีกับภูมิมัจกาอไล่สึกออกจากพระพุทธศาสนา เ, เพราะมันเห็นแก่ลาภเห็นแก่ยศเพียงแค่นั้นเหรอ มาทักท้วงขึ้นมานี่ยนี่แหละพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างนะแต่เรามาวิเคราะห์นํานมาพิจรารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วมีคนดีและมีคนชั่วในยุคสมัยนั้นก็ชั่วเหมือนกันเอแต่ท่านกด็ดีอีกเหมือนกันเนี่ยอันนี้หลวงพ่อยกขึ้นมาประเด็นนี้ก็คือเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาว่าให้เชื่อในกลำ่ำผลของกลำ่ำกล่ำคือการกระทําของตนเอง ถ้าตัวเองทําดีแล้วใครจะว่าอย่างไงก็อันนั้นก็เป็นปากของเขาเรื่องของเขาความคิดของเขาเราห้ามเขาความคิดห้ามการกระทําห้ามคาพูดของเขาไม่ได้แต่เราให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นคือการกระทําของตัวเองอย่างพระพระบรณปุณที่เป็นพระอระหันตนะ์ท่านบอกว่าเมื่อข้าไปเจ้าอายุเจ็ดขวบเข้าไปเจ้าได้บวชมา ได้พิจารณา ร, รมได้บรุธรรมจบกิจพร ม, มจันทร์แต่อายุเจ็ดขวบพ ORN นั้นแม้แต่ฝันข้าพรเจ้าก็ยังไม่เคยฝันถึงเรื่องอกามกิเลสนี่แหะท่านเชื่อมั่นในตัวของท่า น, ท, านท่านยืนยันเลยก็จริงนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายให้พยายามสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เมื่อคุณงามความดีมีอยู่ในจิตใจของเราแล้วใครจะหาว่าใครจะโทษใครจะกล่าวยังไง มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ควรประมาทเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยูเย่เมื่อเขาทวงติงขึ้นมาจุดไหนเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มาตัวตาดูมันจริงอย่างที่เขาว่าไหมเนี่ยถ้ามันจริงอย่างที่เข า, าเออใช่งั้อผมขอโทษผมขออาภายัยมันจริงอย่างที่คุณพูดนั่นแหละต่อไปผมจะสํารวมระวังต่อไปอันนี้คือบัณฑิตคือนักปราชญ์เพราะเราต้องมองดูตนเอง แต่ไม่ใช่ว่าเขาตำหนิขึ้นมาแล้วก็โมโหให้เขาตั้งแต่ทั้งที่ตัวเองก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆเอย่างนี้แปลว่าอืมเป็นพาลและชนอีกในอีกระดับหนึ่งบางท่านจะไม่ฆ่าไม่น่าจะมาพูดให้ฆ่าเนี่ยมันเรื่องของฆ่าเแต่ตามจริงเรื่องของฆ่าทำมันก็ผิดใช่ไหมฆ่าไม่ทำไม่น่าทําอย่างนั้นอืมแต่เขาพูดขึ้นมามนฆ่าก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองมันจึงจะถูกที่จะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ แต่ถ้าว่าเขาว่าความผิดของตัวเองเขาชี้ความผิดตัวเองแล้วตัวเองยังไปด่าให้เขาอีกเนะอันนี้เป็นว่าภารลชนนะเพราะฉะนั้นการที่จะชี้ความผิดให้แก่เราเราก็พยายามตรวจตราดูเราอีกเหมือนกันเนีย่ยว่าข้าพเจ้าทําผิดอย่างที่ท่านพูดจริงๆนะอ้าวขออภัอยเนี่ยข้าพ เ, เจ้าจะสํารวมระวังต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นว่าเป็นผู้ปรับปรุงเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้พยายามสั่งสมพุนงามความดีเขา้าเข้าสู่ตัวเอง เพราะว่าความผิดความถูกนั้นมันได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งเมื่อเราทําผิดแต่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นความผิดของเราเหมือนกับผงเข้าตาของเราอย่างนั้น่ะผงเข้าตาของเราทําไหมเข้าไปอยู่ในตาทําไมไม่ออกเอาออกเองได้มันอยู่ใกล้ตาเลยเกินไม่เห็นหรอือมันไม่เห็นไม่อยู่ใกล้เกินไปต้องอาศัยคนอื่นเป็นผู้เคลียร์ออกให้นี้ก็เหมือนกันนะบางถึงบางอย่างเราอาจจะมองความไม่ดีของเราไม่เห็น เพราะมันเคยชินเนแล้วก็มันจิตใจของเราไม่คาดไม่คิดแต่คนอื่นเขามองเห็นเขาละเอียดกว่าเขาบอกเราเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นอันนี้แปลว่าปรับปรุงแก้ไขในหลักของพุทธศาสนามีมากในเรื่องอย่างนี้เนี่ยอย่างพระราตพามอย่างนี้พระราตพามบอกว่าใครก็าตามชี้ความผิดของเราบอกความผิดของเรานี่คุณทาผิดนะไม่คุณ ควไม่ควรจะทำอย่างนี้ควรคุณควรจะทำอย่างนั้นราธพามบอกพระราธพามบอกว่านั่นแหละคนที่ชี้ความผิดให้แก่เราเหมือนกับชี้กลุ่มทรัพย์ให้แก่เราชี้กลุมทรัพย์ไปว่าเออคุณไปขุดเอากลุมทรัพย์จุดนั้นชถะนะเราก็จะได้มีเงินำํำทรัพย์สมบัติขึ้นมานี้ก็เหมือนกันถ้าคนชี้ความผิดของเราให้ถือเสมือนว่ า, าคนนั้น ชีุ้มทรัพย์ให้แก่เรานะแต่โดยมากยุคนี้สมัยนี้เราคนในโลกนะโดยมากจะไม่ค่อยคิดกันในจุดนี้พอเขาชี้ความผิดของเราทั้งที่เราเป็นผิดจริงๆนะทำตัวไม่ดีจริงๆแต่ว่าเขาชี้คือมาอโมโหโตโซโกธาให้แก่เขาเพราะนั้นให้พวกเราฟังเอาไว้นะศึกษาเอาไว้ฟังเอาไว้ในจุดนี้อีกเหมือนกันเราเกิดมาในโลกจะให้เขายก จ, จอง แต่สรรเสริญเยินยอทีเดียวก็ไม่ได้จะให้เขาด่าทั้งวีทั้งวันก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นมันมีได้ทั้งนั้นแหละโรค ก, กระทำแปดเมื่อโลค ก, กระทำแปดเข้ามาเราก็ยินดีสี่อย่างเราก็ไม่ยินดีอีกสอย่างแต่ทํำยังไงจะไม่ให้โรค ก, กระทำเข้ามาหาตัวเองเป็นไปไม่ได้โลค ก, กระทำเนี่ยมันอยู่ในมวล ม, มนุษย์ชาติแต่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าแทาๆ้ๆก็ยังถูกด่าถูกว่า ไปอยู่เมืองอุทเชนีคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองพระอนุ์บอกว่าพระพุทธเจ้าควรจะหนีประเทศอื่นเมืองอื่นเขายกย่องเชิดชูบูชามีต่างเยอะแยะทำไมจะมาให้เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้พาอนางเมียของพระเจ้าอุเทนอัคคะเมเหสีของพระเจ้าอุเทนไม่พอใจกับพระพุทธเจ้า ว่าจ้างคนให้ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกนคนก็ด่าเหมือนะได้เงินหลวงพ่อบอกคนกลุ่มนั้นก็คงจะปากเปื่อยปากเน่ามาถึงทุกวันนี้ก็มั่งพวกปากเปื่อยปากเป็นมะเร็งทั้งหลายเลยด่าพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นเหมือนนัะเออที่นี้นก็ด่าพระองค์บอกว่าอานน์จะไปที่ไหนก็ไปกรุงราชสือสีท่ที่บ้านเมืองของเขาเคารพนับถือพระเจ้าคา่ะถ้าไปถึงกรุงราชคือและ่ะ กรุงรัตจะขึ้นเขาด่าต่ออีกแล้วจะไปถึงไปกรุงสาวัตถีเออไล่ไปเลยพระพุทธองค์บอกว่าอานน์ไม่มีที่สิ้นสุดเขาด่าที่ไหนต้องอยู่ที่นั่นให้เขาสงบซะก่อนดูซะก่อนว่าเขาสงบซะก่อนเขาจะพิสูจน์เองว่าเขาด่านั้นผิดหรือถูกเมื่อเขาด่าออกไปแล้วเออเขามองดูแล้วมันสิ่งที่ไม่ถูกเขาจะรู้เองเอบเพราะคนในโลกนี้ใ น, ในประเทศนี้ มีใช่มีแต่คนโง่คนฉลาดก็ยังมีอยู่เพราะนั้นถึงเขาจะด่าก็ด่าไปให้เขาด่าไปแต่อีกสักวันหนึ่งเขาจะรู้แต่ไม่เกินเจ็ดวันนะอ น, นุนเพราะพุทธองค์เนี่ยบําเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยบาเพ็ญมากเพื่อโปรดสรรพสัตในโลกมีเมตตา ก, กรุณาพร้อมหมดทุกอย่างเพื่อโปรดโลกเพื่อเกิดมาเพื่อโลกเพื่อสั่งสงคุณงามความดี เพื่อสั่งสมให้แก่บุญกุศลให้กับโลกแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยจะด่าเราตาทาคตนะไม่เกินเจ็ดวันมันจะสงบไปเองนอน้าอนน์จากนั้นก็ไม่ถึงเจ็ดวันจริงๆคนที่ด่าทั้งหลายแลก็เงียบไปเองจะนี้ก็นับถือเลื่อมใสขึ้นมาอีกนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าก็ถูกด่าเหมือนกันนะไม่ใช่พวกเราเดินดินกินหญ้าอย่างพวกเราท่าทั้งหลายจะไม่ให้ คนติชินนินทานเป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างนนินทาและสันเส ร, ริญนี่เราต้องทำใจเอาไว้ เ, เรียกว่าโลกธรรมแปะมีลาบเสื่อมลาดมียศเสื่อมยศนินทาจะนิเสริญนสุขทุกเนะแต่เราต้องการสี่แต่เราไม่ต้องการสี่เราต้องการลาบต้องการยศต้องการสันเส ร, ริญนต้องการสุขแต่ตรงกันข้ามเราไม่ต้องการนินทาเราไม่ต้องการ เราไม่ต้องการเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทกเราไม่ต้องการแต่เราไม่ต้องการก็เถิดทาเราอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องไม่เจอน้อยก็ต้องเจอมากทั้งโลกกระทำทั้งแปดท่า น, นแต่พระพระทุทธเจ้าท่านให้ทําอย่างไร เ, เมื่อโลกกระทำเกิดขึ้นมากับเราแล้วอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาคือทําใจเอาไว้เอาทําไว้ใจเอาไว้แต่นั่นเนิ่นเลยว่า เมื่อเขายกย่องเทิดทูลบูชาในโลกธรรมสีที่เราต้องการเราก็คิดในแกเอออันนี้ลาบเกิดแก่เรายศเกิดแก่เราสรรเสริญเกิดแกเราเออสุขเกิดแก่เราอีกสักวันหนึ่งเทอะนะออไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต้องทำใจเอาไว้แต่เมื่อเขาดา่าอย่างที่ว่านั่นเออมื่อเสื่อมลาบเมื่อเสื่อมยศเออมื่อถูกนินทาเมื่อมีทุกข์เราก็คิดเอาไว้ว่าอืม เ, อเรา ถูกสัรเสริญเยินยอมาขมากแล้วแต่บัดนี้โลกธรรมฝ่ายต่ําก็ น, นําเรากระถงธรรมดาโลกคนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยินดีทั้งสองเงื่อนรู้เท่าทั้งสองเงื่อนถ้าข้าพเจ้าเกิดมาอยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโล ก, กวัะสงสารข้าพเจ้าจะหนีไม่พ้นทั้งสองเงื่อนเนี่ยทั้งนินทาทั้ง ส, สันนิษฐานทั้งลาบทั้งยศทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันต้องเจอกันด้วยกันทางนั้น เพราะนั้นข้าพเจ้าจะต้องการแต่สี่อย่างเบื้องต้นไม่สีไม่ต้องการสี่อย่างเบื้องปลายเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วโลกอันนี้มันไม่น่าอยู่อมันก็เพื่มอยู่ตลอดเวล่ำเวลาไม่รู้จะกระเพื่อมไปทางไหน เ, เพราะนั้นพระองค์จึงพิจารณาดูใจของพระองค์ชําระใจของพระองค์เอไม่เห็นกินดีไม่ให้ยินร้าย ในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อหนายคลายจิตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกในวัฏสงสารพระพุทธองค์ไปยืนอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายคือว่าทอดพระเนตรยืนลำพึงนะยืนลำพึงมองเมืองเวสาลีแตมายว่าเมืองเวสาลีเป็นเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งนะขึ้นไปแล้วก็ยืน ทอดพระเนธเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายเออเมืองเวสารีเ อ, อ้ยเนีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะได้มาเวียนไหวตายเกิดออในวัฏฏสงสารตั้งแต่บัดนี้ไปเมื่อข้าพเจ้าดับขันแล้วข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดเป็นอ น, นันตการนะเนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าทอดพระเนธเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายฟังฟังดูแล้วผมซึ้งนะหลวงพ่อวานซึง้งคล้ายๆกับว่าจะไม่มาอีกแล้ว เออในวัตฏะสงสารนี่น่าเบื่อหน่ายเหลือเกินมีแต่เรื่องหาเรื่องหาราวใส่กันอย่างที่พัฒพมันระบุตอย่างนั้นท่านเป็นพระหันปุตุชนก็หาเรื่องใส่ท่านเออถ้าว่าท่านไม่เชื่อมั่นในท่านเองนะฮไม่รู้วพวกอื่นจ ะ, จะสงสัยยังไงอีกไม่รู้เพราะปุตุชนมันมีมากเพราะเขาหาเรื่องก่อนที่เขาจะหาเรื่องเขาก็มัดเอาให้แน่นเหมือนกันว่างั้นเถอะให้อยู่มัดว่างั้นเถอะ แต่นี่มันก็ยังปีพลาดไปหน่อยหน่อยเหมือนกันน่ะเพราะเพราะคนที่หาเรื่องใส่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเงินขาดตกปกพ่องเหมือนกันนะเพราะมันกิเลสหาเรื่องใช่ไหมละ่ะเอกิเลสหาเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีจุดขาดตกปกพ่องได้บ้างเหมือนกันเขาก็จับเงืินได้เขาก็เลย <c oughs> กระตุกไอ้จงที่มันมีเงิน น, ะ น, ะนั้น่ะเอะก็เลยพังละเนระนาดไป น, นี่แหละ พระในครั้งพุทธการพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันนะที่หลวงพ่อสาธกมาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนี่ก็เป็นแนวทางเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระในครั้งพุทธเจ้าบวชเข้ามาได้สําเร็จมักสําเร็จผลใช่อันนั้นก็มีที่บวชเข้ามาแล้วเพื่อสังสมกิเลสราคะโทสะโมหะก็ไม่แพ้ในยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูตนเองเหมือนกันนะข้าพเจ้าจะเป็นคนประเภทไหนจะเป็นพระประเภทไหน จะเป็นพระอะไร เ, เป็นผู้มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีหรือเป็นผู้โลภโหโ ม, โมโกนาะในราบสนเสื่อมสุขภายนอกหรือเราจะมุ่งหวัง อ, อริยทรัพย์ภายในจิตใจแต่ตาม่จริงน่าจะมุ่งหวังอริยทรัพย์นั่นแหะที่ทรัพย์อันประเสริฐสังสมคุณงามความดีเอาไว้นะต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร